ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉัน ม <old your mind's your lifemumbles> okay, <thex2> ืดม <morning> <beginning> ัวทำไมต้องกลัวอะไรหล็บนาวตัวสั่นไว้ไม่นานก็คงจะดีีใช่ไหมรกลัวกลัวจะน้ตรงกันแค่อยากที่ตรงนั้นางทาเรู้เดียวไหม ฉันขึ้นมาแค่กดเบอร์โทรมาหาฉันจะรีบไปไม่รู้เธออยูที่ไหนต้องโลกนี้เก็บความรู้สึกนั้นเไว้หรือเพียงแค่พูดตรงตรงออกไปอยู่เป็นเพื่นอนไม่ยังที่เงเอาให้รอเธอเลิกกับเขา ควมดวงใจ่ตัวเองสักครั้งโดยมกลัวว่าใจจะพังลุยไฟกพรอมพยเป็นคนที่ใช่ที่ใชมพยายามไม่ว่าเธอต้องการอะไรามให้ได้ทุกอย่างยังคงมยอมแพ้ม่ใจอ่อนแอ ฉันไว้ไม่นานก็คงจะดีดีกนี้ใช่ไหมเพราะฉันคิดกลักลกจะทนไม่ไหวขี้ลัันในได้ไหมให้ไอตรงกันขี้อยากที่ตรงนั้นยืนอยู่ข้า ง, างเธอรู้เดีวไม่มีทางเพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้แต่หากวันใดวันนึงเธอคิดถึงฉันขึ้นมา กดเปอรโทรมาหาฉันเธรีไปไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนบนโลกนี้เก็บมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกันแค่อยากเป็นคนคนนั้นที่ยืนข้างเธอรู้เดียวไม่มีทางเพราะฉันแทนเขาไม่ได้ Baby, i e crazy. Let me be your baby. I told to you to stand y o u c a n o u n d l y o u r e t o gonna hold you down. ไม่ปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยสัญญากับเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปเราจะไม่มองใครไม่มีใครนอกจากเธอก็มีแค่เธอคนเดียวไม่เคยจะเอวสายตามีแค่เธอตลอดมามีแค่เธอคนเดียวไม่เคยให้ใครม่ยุ่งเกี่ยวเดินกับแดนคนเดียวตลอด เก็บฉันไม่มีลอกเพราชฉันรักเธอคนเดียวที่ฉันให้เธอไปไม่ไดีมีแค่หัวใจแต่เป็นคำสัญญาว่าจะรักตลอยไปไม่มีคำหวานๆส่งให้เธอทุกวันแค่ขอให้เธอมีกันเท่านั้นก็พอใจออกจานี้จะเป็นไงก็ไม่เป็นไรฉันคนนี้สัญญาที่อยู่เก็บเธอตลอดเก็บเธอค น, นี้จะมีทําให้เธอผิดหวัง จะมีปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยสัญญา ก, กับเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปแล้วจะไม่มองใครไม่มีใครนอกจากเธอถึงวันเวลาจะผ่านไปแต่ใจของฉันไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงคอยเต็มเต็มบนหน้าผาส่วนฉันนั้นเป็นดอกไม้ ทิ้งคอยเบ่งบานรอยยิ้มของเธอยังเมื่อเมื่อวานเลยคอยเธยิ้มให้ชานแค่แค่ขอความมันก็คงจะไม่พอส่องจดหมายไปก็กลัวเธอจะรอนอกพิรา ก, ก็ไม่วา่ากรไม่ทันอขอโทรบอกเธอป่านนี้แล้วละกันมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีก็มีมากดอกจำปาก็ไม่มีสัญญาเก็บเธอคนนี้จะมีทําให้เธอผิดหวัง มมีีปลออออยืเธกคสัญญาเก็บเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปเราจะไม่มองใครไม่มีใครนอกจากเธอสัญญาเก็บเธอคนนี้จะมีทําให้เธอผิดหวังจะมีปล่อยมือเธออีกครั้งไม่ให้เธอหายไปไหนเลยสัญญาเก็บเธอคนนี้จะมีแค่เธอตลอดไปเราจะ ใา ฉันยังรอเธอตรงนี้อยู่ตรงที่เดิมมันยังซสอมให้รู้สึกจับลอกเข้าไปใหญ่มีอยากจะจำเรื่องราวในวันนั้นที่เธอได้ทิ้งฉันไปภาพทรงจำที่มันการยังสวยงามสมอแต่ตอนนี้ไม่มีเธอฉันจะจำไปเพื่อใครมันจะมีสักคน เข้าใจแล้วรูมเดินกนอเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตานึงมองดูรูปเก่าๆของเราภาพที่มีนแต่ละคืนก็ยนมาตั้งใจจะคมตานอนข้างในยังห่วงอาวอธขนุมที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดต า, าคำที่เธอตัดรองจะเป็นมันคำตัด รักเธอต่อ แต่ตัฉันยังไม่หมดความทรงจำไม่อยากมีขอแค่ที่มีเธอตื่นมาก็อยากเจอแต่เธอก็เริ่มจะหายไปทีละบทยังไม่จบยังไม่ตายจะ่เหายไม่อยากเจอความจริงใครจะรู้ไม่ใช่เราไม่เข้าใจยิ่งดื่กก็ยิ่งเมาเห็นแค่เราที่ฝากไว้บนผนังก็ลูปเธออยากจะลบเธอออกไปแม้วันนี้จะไม่ได้เจอแต่เธอฟังอยู่ข้างในต้นไม้ใบหญ้ามันอยู่ได้ดพวกร้อนความเจ็บในความจํามันยังคอยทับถมบาดแค่ฉันเริ่มลึกเกับเรื่องจมร์สะสมต่อให้เราองไปให้ตายตัวเธอก็คงไม่สนเธอความจํามันไม่ได้ในวันแรกที่เจอกันเราสมควรได้ใกล้ชิดเริ่มผลิตความสัมพันธ์เก็บม มที่เราสียเธอไปอยู่ตรงไหนมันก็มีน้ำตาหนึ่งมองดูรูปเก่าๆของเราภาพที่มีนตทานและคืนก็โยนมาตั้งแต่จะคงตานอนข้างในยงห่วงอาวอุคขนุนที่เธอห่มนอนยังจำได้ติดตาบาคำที่เธอตัดรอนจะเตนมันคำตัดตอนก็ อ, อยากจะออนวอน เพราะในตอนนี้ฉันไม่ใช่ที่รักเธอบอกห่างกันสักพักแล้วในวันนี้จะมาเก็บใครนะใจจะปวดแต่ก็ยังคงรักสุดท้ายแค่ที่พักไม่ใช่ที่รักโออ อยู่ในใจจะัวสซ้ำได้แต่อ้เพราะเคยเลียวแหล่ไอ้ให้นองเป็นคนแพ้แต่ไอ้เพราะแยแคนแพ้หักเดียวหัวใจอาวรน้ำอายแต่คนสุดท้ายและน้ำคนเขียวๆคนหักเดียวบ่มีค่าโอ้ยมีรู้จะทํายังไงเธอไปกับเขาแล้วฉันจะอยู่ยังไงให้นรูเธอไปเขาแล้วฉั มีแฟนแล้วรักแฟนมากนะฉันก็เลยโพสว่าม่อยากตอยัยแค่ไม่มีเธอมาแล้ก็โนซนโนแคร ความสุ ว่าฉันหาเธอเจอไม่คิดไปไกลกว่านั้นใจของฉันมันไม่แต่เธอเก็บเอาไปนอนและมาต้องเป็นเธอฉันะใจและฉันจะไม่สบายใจของฉันมันช้าชา คล้ายคล้ายมันคืนตาตอนที่เห็นเธอควงใครเพิ่งรู้ว่าควจะลืมแต่ไม่รู้จะทำยังไงสิ่งเดียวที่มีในใจนั่นคือรัก แต่ใจไม่ยอมทนจริงไม่ควรจะเจ็บแต่ใจมันยังเธอ oh. ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ฉันเสียใจจังฉันถาตัวเองดังๆเราใช่ไมงงงายถึงเขาไม่มาให้เจอคงไม่เพ้อจะไม่สบายก็ดีมีก็ใจทุกขหายกัน ไม่สบายใจของฉันมัน้าคลตาตอนที่เห็นเธอคใครเพิ่งรู้ว่าควรจะลืมแต่ไม่รู้จะทำยังไงสิ่งเดียวที่มีในใจนันคือรักเธอ จะฮึ่งจนตายแม้ว่าชิมาลายกูจะอยู่กับมึงอาจเป็นคนไม่ร้ายไม่ชอบทำซึ่งๆแต่เป็นคนคนหนึ่งที่รักมึงหมดใจใช่ได้ไม่เคยลเลี้ยวหัวใจดูเดียวเป็นของมึงไอ้ควายด้วยรักจากใจก็แค่คนธรรมาดาที่มันรักหัวตกยันนั่งฟินกินข้ากับครอบครัววันหยุดดีดี กูไปเที่ยวด้วยนะก็กูอยากันลาย ก, กูอยากไปจิ๊บอ่อนจู๋ความสุขมันอยู่ที่ใจแต่เสื้อผ้าชุดใหม่กูต้องแต่งตัวแต่งสวยกับเพื่อมึงกูจะรักแค่มึงกูจะหึ่งจนตายแม้ว่าชีวิตมาไลยกูจะอยู่กับมึงอาจเป็นคนไร้ร้ายไม่ชอบทำซึ่งซึ้งแต่เป็นคนคนนึงที่รักมึงหมดใจช่ หัวใจดูเดียวเป็นของมึงไอควายด้วยรักจากใจ กูจะรักแค่มึงกูจะฮึ่งจนตายแปลว่าชีิมาลายกูจะอยู่กับมึงอาจเป็นคนไร้ายไม่ชอบทำซึ่งซึ่งแต่เป็นคนคนนึงที่รักมึงหมดใจใช่ได้ไม่เคยเลยเลียวหัวใจดูเดียวเป็นของมึงไอควายด้วยรักจากใจกูจะรักแค่มึงกูจะฮึ่งจนตายแปลว่าชีวิมาลายกูจะอยู่กับมึง แต่เป็นคนไนร้ายไม่ชอบทำซึ่งซึงแต่เป็นคนคนนึงที่รักมึงหมดใจใชายใดไม่เคยเลยเลียวหัวใจดูเดียวเป็นของมึงไอควายด้วยรักใจ Fly a t h o n d m i l e อย่าให้ลมหายใจสุดท้ายได้หมดไปในตอนนี้มันเจ็บจนเกินรับไหวหัวใจจงหลับไหลไปเสียที ที่ที่ฉันเองที่เฝ่ารักจนทำให้เธอนั้นบองแคมไป ฉันมองตัวเธอผิดไปอยากให้เสียงหัวใจสุดท้ายได้หยุดไปในตอนนี้ควณจะปลความเสียใจ รักเธอมากไปจงจากไปเสียที สัมสักสีของชีวิตเธอ ถึงมาจะมีใคร เธอ ตำสักสีของฉัน ฉันมีความหวังที่จริงเป็นแค่ความลังจึงยอมให้เธอเลือกทางที่วาดไวการอยู่คนเดียวก็รู้มันต้องเหงาแต่ว่าฉันคงไม่อาจฟืนใจเธอฉันเลยทลายไป